โอวันนี้รู้สึกว่าศรัทธาญาติโยมมาจากจารุรทิศมาในที่หลายแห่งหนไม่รู้ว่ามาจังหวัดไหนบ้างที่มองมองเห็นเนี่ยหลายจังหวัดเพราะวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาพร้อมกันก็เป็นวันจวนจะเข้าพรรษาวันนี้เป็นวันที่สอง สิงหาคมพุทธศักราช 2,555 ปีนี้8สองหนวันเข้าพรรษาเป็น8หลัง8ที่สองแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช 2,555 เป็นวันอธิษฐานพรรษาของพระสงฆ์ ส่วนพระสงฆ์ก็จะได้เข้าพรรษาตามพระวินัยแต่วันนี้เป็นวันอาสารหาบูชาก่อนที่จะเข้าพรรษาวันหนึ่งก็คือวันพระใหญ่ไม่ว่าเป็นวันอาสารหาบูชาเป็นวันอาสารหาคือเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้วางพระพุทธศาสนา ได้วางทำคําสอนแล้วก็ได้ประกาศให้พุทธบริษัทสทราบพร้อมกันว่าเป็นวันที่พัตรไตรสรนคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครบบริบูรณ์คือวันนี้เมื่อ2555ห้ายหปีให้หลังคือวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเดินจากพุทธกายา มาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่กรุงพาราณสีจากนั้นพระองค์ได้แสดงธรรมจักกับประวัตนะสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคือโกนทัญญะวัปะพัทิยะมหานามาจจชิที่เป็นพรามที่ปนนิบัตพระพุทธเจ้าจากนั้นท่านก็ได้ออกมาจากพุทธกยามาบำเพ็ญเป็นลือสีที่ แขวงพารณสีแต่พระพุทธองค์ได้เดินมาโปรดมาแสดงธรรมจากนั้นพระปัญจวคีทั้งหท่านก็ได้สําเร็จพระอัญญากูลรัญญะได้สาเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นท่านแรกจากนั้นท่านก็ขอบวชกับพระพุทธเจา้าพระพุทธองค์ได้บวช ด, ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือบวช ด, ด้วยเอหิภิกขุคือบวชเฉพาะพระภักพระพุทธเจา้า จากนั้นพระัญญาโกน ร, รัญญะก็ได้บวชเป็นท่านแรกจากนั้นัญญาโกน ร, รัญญเมื่อได้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแปลว่าพระไตรสาระคมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครบบริบูรณ์ในวันนี้เพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะนั้นวันนี้พวกเราจึงพร้อมกันมาไหวพระสวดมนต์ แล้วก็ทำพิธีไหว้พระต่อนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมมบทนิยกรถาให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังในเมื่อเป็นวันสำคัญเช่นนี้พวกเราควรจะทำตนอย่างไรแล้ว ก, ก่อนที่จะเข้าพรรษาปี2555นี้พวกเราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมให้ถูกต้องในการ ที่พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทของพระพุทธเจา้าถ้าว่าพวกเราวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปโดยที่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรเลยอันนั้นแปลว่ามันผ่านไปเหมือนกับน้ำที่มนไหลลงจากภูเขามันไหลไปโดยที่ไม่ได้กักตุนไม่ได้ให้ทำให้เกิดประโยชน์สำหรับน้ำน้ำมันก็ไหลไปสู่ทะเลและก็จบชีวิตของพวกเราเช่นเดียวกัน ถ้าว่าพวกเราปล่อยไปมันก็ไหลไปสู่ความแก่เจ็บตายในที่สุดไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะนั้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าไปศึกษาจากนั้นพระองค์ก็ได้แนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมสอนพระสงฆ์เป็นอันดับแรกอย่างที่ว่าสอนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าในเมื่อท่านสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้สาเร็จมรรคสาเร็จผล ก่อนที่จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลพระ อ, องค์ได้ค้นคว้าศึกษาก่อนแล้วว่าพระ อ, องค์ตะกอนก็เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายว่าชีวิตของคนหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่อย่างไรเป็นมาอย่างไรพระ อ, องค์ก็ยังไม่รู้จากต้นปลายสายเหตุแต่เห็นว่าแต่ในใจนั่นก็เห็นเห็นความทุกข์คือเห็นคนแก่ เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายอันนี้แหละเป็นเรื่องสรดพระไทยพระองค์เป็นอย่างมากเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วพระองค์จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรจะมีดำเนินการอย่างไรจึงจะห น, นีไม่มาเกิดแก่เจ็บตายอีกมีไหมผลทางที่จะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายอันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์คือสิทธัตถะ ที่ครองคารวาสอยู่ท่านคิดจุดนี้เป็นจุดแรกเป็นสนวนแรกที่พระองค์ได้คิดว่าจะทำยังไงจึงจะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายอีกเพราะว่าปู่ย่าตายายของพระองค์ก็ทิ้งสมบัติมาเป็นทอดๆจนมาถึงพระองค์จากนั้นพระองค์ก็คงจะได้ทิ้งสมบัติให้แก่พระราชโอรสต่อไปแล้วทุกคนต้องทิ้งสมบัติให้แก่ทายาท ไม่มีใครที่จะอยู่นานเท่านานไม่มีวันตายไม่มีคนเราเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดแต่ทำยังไงจึงจะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายอกีกเนี่แหละพระพุทธองค์ได้ไปค้นคว้าศึกษาอยู่เป็นเวลาทั้งหกปีจากนั้นพระองค์ก็ได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาที่โครนต้นโพพระองค์บอกว่าเมื่อเราเกิดมาแล้ว ชาตินี้ต้องตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้แต่เมื่อเราตายลงไปแล้วเพราะว่าร่างกายของเราเป็นวิบากในอดีตต้องใช้ผลแต่เมื่อร่างกายนี้แตกตายสลายแล้วแต่ส่วนใจคือนามธรรมนั้นจะไม่ไปเกิดไม่ไปปฏิสนธิอีกเพราะจิตใจของเราหมดจดจากกิเลสจิตใจบริสุทธ์ใจ พ้นจากอาสวะกิเลสไม่มีความโลภโกรธหลงในจิตในใจใจของเราบริสุทธิ์แล้วเราจะไม่มาเกิดอีกนั่นแหละคือพระพุทธองค์ได้ไปค้นคว้าศึกษาอยู่จุดนี้ล่ละแต่ว่าคนเราถึงจะขนาดไหนวิเศษขนาดไหนเป็นผู้ใหญ่ขนาดไหนอย่างพระพุทธเจา้าท่านกฏวิบากกรรมคือร่างกายนะีคือเป็นวิบากกรรมในอดีต จะต้องแตกตายสลายลงจู่ดินน้ำลมไฟแต่เมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วด้วยว่าละสังขาร น, นี่แล้วพัทไทยคือใจของพระองค์นั้นจะให้มาเกิดอีกนี่แหละพระพุทธองค์ได้ค้นคว้าศึกษาจุดนี้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคณะจัตยาญาติโยมที่ได้ศึกษาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าขอให้พวกเรามุ่งมั่นและตั้งใจศึกษาให้จริงจังและจริงใจ ในพรรษานี้หลวงพ่อเองจะจะโทษรัว่าล จ, จะขอร้องคณะสัตธาติโยมทุกทุกท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปเพราะว่าชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างที่หลวงพ่อเคยย้ำแล้วพูดอีกอยู่เสมออันดับแรกเราจะทำยังไงเราจึงจะเสียสละทุ่มเทคนเรา ถ้าหาว่าไม่มีความเชื่อคือศรัทธาคือความเชื่อไว้ล่วงหน้าซะก่อนถ้าเรายัางไม่เชื่อว่าตรงหน้านี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่กล้าทุ่มเทเหมือนกับเราจะส่อแสวงหาทรัพย์นะถ้าหาว่าพวกเราไม่มั่นใจในการส่อแสวงหาทรัพย์เราก็ไม่กล้าทุ่มเทในการส่แสวงหาทรัพย์แต่เมื่อเรามั่นใจว่าการส่แสวงหาทรัพย์ในทางนี้แหละถูกต้องได้กําไรแน่ ต้องไม่ขาดทุนแน่ต้องได้กาไรแน่เราจึงจะมีความมั่นใจในการดำเนินในธรมาค้าขายของเรานี่ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเราได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ฟังทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ถ้าว่าพวกเรายังไม่ได้กันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผล พวกเราก็ยังไม่เชื่อเมื่อเราไม่เชื่อเราก็ไม่กล้าทุ่มเทในการสั่งสมขุนงามความดีไว้นั้นก่อนที่จะทุ่มเทลงไปในจุดที่ว่านี้เราควรจะศึกษาเรื่องอะไรอันดับแรกก็คือศรัทธาต้องเชื่อในพระพุทธเจ้าซะก่อนพระพุทธเจ้ามีจริงใช่ไหมพระพุทธเจ้าเกิดที่ประเทศอินเดียใช่ไหมยอยู่ที่กรุงกับบินลพั์ใช่ไหม พระพุทธเจ้าเมื่อได้ตัดสรู้ได้ตัดสรุปที่ไหนอันนี้เราก็ต้องศึกษาพอศึกษาเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าตัดสรุ้เรื่องอะไรจากนั้นเราก็ได้ศึกษาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อสั่งสอนแล้วพวกเราก็ยังฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกที่เรื่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านได้อัดได้ทำท่านทําอย่างไร ท่านสอนอย่างไรท่านปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติจากทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่ยันได้ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านทําตนอย่างไรนี่แหละอันนี้พวกเราศึกษามาเป็นระดับระดับลําดับลําดับจากนั้นเมื่อศึกษาแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติแล้วผลแห่งการปฏิบัติจะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายเองน นี่แหละศรัทธาคือความเชื่อจะเชื่อเป็นลําดับลําดับขึ้นไปท่นี้เพราะฉะนั้นอันดับแรกเราก็ต้องเชื่อในพระพุทธเจ้าซะก่อนเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้นําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศเผยแพ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุ ก, ท, กท่านคณะศรัทธาญาติโยมทุกคนที่ ได้มาประพฤติปฏิบัติในวันนี้อันดับแร ก, กหลวงพ่ออยากจะสอนเรื่องสมาธินี่แหละพอเรื่องทานเรื่องศีลนะพวกเราพอได้ศึกษามาพอเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเรื่องภาวนาเนี่ยเรื่องภาวนานในพรรษา น, นี้ไม่พวกเราควรจะตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาอย่างน้อยวันละิบนาทีหรือยบนาทีสสนาที หรือ ว, วันละหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้ควรจะมีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจถ้าว่าพวกเราทําจริงจังและจริงใจหลวงพ่อมั่นใจเลยเกินว่าพวกเราจะต้องได้รับรสแห่งพระธรรมอยู่ในจิตใจใจของเราจะมั่นคงใจของเราจะไม่ว้าเวีอ้างว้างเงียบเหงาเมื่อถึงคราวจําเป็นหรือคราวจุนเคียนเอเมื่อคราวจําเป็นในชีวิตของเราเราจะมั่นใจ ในการเป็นอยู่ของเราเพราะเหตุไรเพราะเราได้ศึกษาธรรมะทางด้านจิตใจเพราะนั้นในพรรษานี้พรรษา2555ทั้งฝ่ายพระพอดีทั้งฝ่ายคณะสัต ธ, ธาญาติโลวงพอดีขอให้พวกเราตั้งใจมั่นใจและก็ให้สนใจในการประพฤติปฏิบัติให้เชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่บางนี้ไม่ใช่บังคับให้เชื่อ แต่เราต้องใช้ปัญญากันกรองไตรตรองเหตุและผลถ้าหากว่าเราไม่กันกรองไม่ใส่ใจเราจะเห็นได้อย่างไรมันเห็นไม่ได้นะถ้าเราไม่ใส่ใจไม่สนใจแต่พวกเราใส่ใจสดใจในหลักธรรมคําสอนจากนั้นก็นํามาประพฤติปฏิบัติหวงพ่อมั่นใจเหลือเกินว่าพวกเราจะได้รับมรรครับผลตามที่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเอาไวา้ ผู้ที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนามาใกล้หลวงพ่อหลวงพ่อก็เคยพูดให้ฟังหลายครั้งต่อหลายหนแต่คณะศรัทธา ญ, ญาติโยมบางท่านที่มาจากทางไกลยังไม่เคยเข้ามาสู่วัดของหลวงพ่อคงจะไม่รู้หรือว่าบางท่านบางคนก็อาจจะศึกษาในแนวแถวครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์แนะนําแปบแตกต่างกันแต่ถึงยังไงพวกเรา ไม่ได้รับการศึกษาให้กว้างขวางพวกเราก็คงจะสับสนเหมือนกันว่าการภาวนาเนี่ยทำไมไม่เหมือนกันสำนักหนึง่งพูดอย่างหนึ่งสำนักหนึง่งพูดอย่างหนึง่งหลายๆายสำนักไม่รู้จะจับอันไหนมาปฏิบัติผลที่สุดก็เลยไม่รู้จะจับเงื่อนไหนผลที่สุดก็เลยไม่กล้าตัดสินาใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะไม่มั่นใจเพราะสำนักหนึ่งกับพูดไปอย่างหนึ่งสำนักหนึ่งกับพูดไปอย่างหนึ่ง เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านที่มาศึกษาในสายหลวงปู่มั่นที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อเช้าเนี่ยพวกเราเข้ามาศึกษาในสายหลวงปู่มั่นให้พวกเราปั่นใจสำนักอื่นเราก็ไม่ว่ากันแต่เราอยากจะปฏิบัติก็ได้แต่ว่าเมื่อเราเข้ามาศึกษาสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไร หลวงพ่ออยากจะให้พวกเราทุกท่านศึกษาในสายนี้เพราะสายนี้เรามั่นใจว่าสายหลวงปู่มั่นในเมื่อท่านภาวนาท่านก็มีหลักมีกฎเกณฑ์พที่สุดท่านก็บอกว่าท่านมั่นใจบรรดาสิทธญาทุศิษย์ของหลวงปู่มั่นบรรดาสิทธยาทุศิษย์ทั้งหลายทุกคนก็บอกว่าหลวงปู่มั่นคือพระอรหันต์ไม่เป็นอย่างอื่น แต่พอท่านล่วงลับดับขันไปท่านมรณะภาพลงไปไม่นานกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นที่วัดสุดทธาวาสจังหวัดสกลนครและที่หลายๆแห่งคือกระดูกอัติธาตุของหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นก็มีหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบัวหลวงปู่ต่างๆที่ท่านปฏิบัติตามแนวแถวของหลวงปู่มั่น ท่านเหล่านั้นท่านก็มั่นใจอย่างลงตาท่านประกาศให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายท่านว่าไม่ได้สงสัยในธรรมคาสอนชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายแล้วเราได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลแล้วเรากล้าพูดบอกเราได้เงินขนาดไหนเราก็กล้าพูดว่าเราได้เงินขนาดไหนมีสมบัติขนาดไหนเรากล้าพูดเ ร, า, า, พดเร า, าพูดได้เพราะฉนั้นเราพอแล้วชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราแล้ว เราจะไม่เกิดอีกแล้วนี่อันนี้ก็คือหลวงตามหาบัวท่านประ ก, กาศท่านบอกแต่เมื่อท่านร่วงลับดับขันไปไม่นานกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอีกนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายมั่นใจว่าแนวแถวสายหลวงปู่มั่นพาประพฤติปฏิบัติมานี้เป็นสายทางสู่มรรคผลนิพพานถ้าผู้ใดปฏิบัติตามที่แนวแถวของหลวงปู่มั่นแล้วก็เอาจริงจัง ตามแนวแถวของท่านปฏิบัติมรรคผล น, ผนิพพานคอยพวกเราอยู่รอพวกเราอยู่ต้องถึงมรรคผลนผิพพานแน่นอนไม่ว่าฝ่ายหญิงไม่ว่าฝ่ายชายแต่สาหรับฝ่ายหญิงก็เหมือนกันอย่างคุณแม่ชีแก้วเสียงลาท่านปฏิบัติแต่ก่อนท่านก่หลงในนิมิตภาวนาไปแล้วก็เห็นนิมิตต่างๆจนหลวงตามหาบัวท่านไปแก้ทางด้านจิตใจท่านแนะนา ค, คุณแม่ชีแก้วคุณแม่ชี้แก้วกดปฏิบัติตามทำคำสอนขององค์หลวงตาผลที่สุดท่านก็ได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมหลงตามหาบัวท่านก็บอกว่าแม่ชี้แก้วเนี่ยเป็นอย่างไรทางด้านจิตใจเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างไรทางด้านจิตใจแม่ชี้แก้วเป็นอย่างนั้นเพราะธรรมะตนนี้ไม่ได้เลือกหญิงไม่ได้เลือกชาย พอถึงจุดหนึ่งแล้วก็คือพระรหันต์เสมอกันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายหญิงชายก็คือเพียงแต่ธาตุสร่างกายเท่านั้นเองแต่ส่วนจิตใจนั้นคือพระรหันต์เสมอกันความมริสุทธิ์จุดพ้นเสมอกั น, า น, กนจากนั้นมาคุณแม่จีแก้วท่านเมื่ออายุท่านแต่เก้ากว่าปีท่านก็มรณะภาพลงเมื่อท่านมรณะภาพลงไม่นานอธิธฐานของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นอีกเหมือนกันเราจึงมั่นใจว่า พระหรหันต์ไม่ได้เลือกหญิงไม่ได้เลือกชายเหมือนครั้งพระพุทธการครั้งพุทธการก็มีภิกษุณีเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามากต่อมากท่านก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลในยุคสมัยนั้นมายุคสมัยนี้ก็ไม่ได้แพ้กันถ้าว่าผู้ใดปฏิบัติอย่างจริงจังผู้นั้นก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดําเนินจากนั้นท่านก็ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ทั้งหลายได้ศึกษาทีไหนหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราเรียงลาดับตั้งแต่ทีแรกเลยละทีไหนหลงพ่อจะเรียงลาดับให้แก่พวกเราได้ลงมือประพฤติปฏิบัติเลยถ้าหากว่าพวกเราให้ภาวนานะพวกเราไม่รู้จะภาวนาอย่างไงให้ภาวนานะพุโทโธพุโทโธเนะก็ไม่รู้จะพุโทโธยังไง พ่านั้นหลวงพ่อจึงสอนเพราะหลวงพ่อเนี่ยเรียนมาตั้งแต่เป็นสมณีนครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่เบื้องแรกว่าเราควรทําตนอย่างไรในก่อนที่จะ เ, าเราจะนั่งภาวนาเนี่ยท่านก็บอกว่าก่อนหลับนอนเราไปถึงที่หลับที่พักผ่อนแล้วเราอาบน้ํำชาระกายให้เรียบร้อยจากนั้นก็เข้าที่พัก เรือจะเข้าห้องพระก็ได้แล้ว่าที่นอนของเราก็ได้พอแล้วเราก็กราบกราบไปทางหมอนที่หัวนอนของเรากราบนั่งคุกเข่านั่งคุกเข่าแล้วก็กราบพุทโธธรรมโมสังโฆหลวงปู่ล่าท่านยังสอนว่าพุทโธธรรมโมสังโฆนิพพานังให้ว่าเรากล่าบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้กราบเล่นๆไม่ได้กราบธรรมดาเรากล่าบเพื่อมรรคผลนิพพาน นิพพานังเรากราบเพื่อมรรคผลนิพพานเราไม่ได้กราบเพื่อธรรมดานะไม่ได้กราบปุกกราบไหวกราบทั้งทั้งหานอนท่วงน้ําตาหลังน้ําตาไหลโดยไม่ใช่อย่างนั้นกราบพอได้กราสัตว์ว่ากราบไม่ใช่เรากราบด้วยความตั้งใจกราบด้วยความจริงใจกราบด้วยความทั้งอกตั้งใจกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พอกราบเสร็จแล้วก่อนิพพานังเรากาบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพาน จากนั้นก็เราก็สนะเสริญพระพุทธเจา้าอรหังสัมมาสัมพุทธโธปควาพุทธังะคาวันตังอภิวาเทมิอนข่าวขอการาบอภิวาทพระพุทธเจา้าและก็สวากาโตัวขอการาบอภิวาทพระธรรมและก็สุปฏิปโนขอการาบอภิวาทพระสงฆ์ขอการาบคารวะพระสงฆ์จากนั้นก่อ น, ะ, นะโมนะโมตัสสะเข้าไปเจ้าข อ, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค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 ตตียามปีพุทธทางทำหมางสังขังสารนังคัจามิข้าพเจ้าขอยึดพระไตรสารนักขมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สเรากราบยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่3จากนั้นเราก็กล่าวอิทิปิโสพระกวาอรหังสมาสัมพุทโธจากนั้นก็กล่าวเยยวาจาได้ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพั้งพระพุทธเจ้าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอพระพุทธเจ้าจง โอโหสีให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะสั่รวมระวังต่อไปจากนั้นก็สว่าขาโตและก็การเยยวาจาและก็สุปฏิปโนและก็กาเยยวาจาข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โอโหสีให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินอันนี้ก็คือความนอบน้อมต่อบรมครูจากนั้นก็ เมตตาอาหางสุขิโตโหมินิตตุโขมิข้าพเจ้าขอเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นฉัตรอื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างข้าพเจ้าปรารถนาด้วยเทินเอ๊ะอันนี้คือเรากราบไหว้พระก่อนนอนน ะ, เ, ะเราจะพูดในย่อข้อนั้นก็ได้เรา阿拉หังสวะคาโตสุปฏิปโนพุทธังธำมังสังขัง จากนั้นก็แผ่เมตตาเลยก็ได้แผ่เมตตาเราไม่ต้องพูดเป็นภาษาบาลีก็ได้เราพูดเป็นภาษาไทยของเรานี่แหละเข้าใจง่ายง่ายข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทุกๆวิญญาณทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆท่านทุกๆวิญญาณด้วยเถินอันนี้ก็คือเมตตาคนที่มีเมตตา อู่นสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถ้าคนไม่มีเมตตาไ ป, ไ, ต ไ, ไปที่ไหนมีแต่เดือดร้อนพูนวายไปที่ไหนมีแต่ไปด่าเขาเมื่อเขาด่าเขาเขาก็ด่าเราเมื่อเราจะคิดจะฆ่าเขาเขาก็คิดจะฆ่าเราเอเมื่อ body, เราโมโหให้แก่เขาเขาก็โมโหให้แก่เราไนะถ้าเรามีเมตตาต่อทุกสัพพสัตทั้งหลายสัพพสัตทั้งหลายก็มีเมตตาสําหรับเราเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าทนวให้มีเมตตาต่อสัพพสัตทั้งหลายทั่วโลก เรามีเมตตากับเขาเขาก็มีเมตตากับเราคนที่มีเมตตาไปอยู่นสถานที่ใดไปอยู่นักกลุ่มใดชุมชนใดหูกพ่วยวลาวเขาที่ใดภูมิมะลุกคาเทวดาก็เป็นมิตรเป็นสหายกับเราไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครๆทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะเรามีเมตตานะเพราะฉะนั้นเราอยู่นสถานที่ใดเราจึงให้มีเพระพุทธเจ้าจึงให้เจริญเมตตาตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขนะ นี่แหละอันนี้ก็คือก่อนหลับนอนก่อนที่เราจะไหว้พระก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเราไหว้พระซะก่อนจากนั้นก็จเจริญเมตตาจากนั้นพอนั่งจเจริญเมตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งคัดสมาธิหรือจะนั่งพับเพียบก็ได้หรือจะนั่งเก้าอี้ก็ได้สุดแท้แต่ที่สุขภาพของเราจะ ต, ตามไม่ทิ้งถ้านั่งสมาธิได้อั น, นั้นดีที่สุดถูกตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้นั่งสมาธิ เมื่อนั่งพับเพียบก็จะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งถ้านั่งสมาธิร่างกายของเราจะตรงนั่งจะตรงเพราะนั้นเราจะนั่งสมาธิก่อนที่นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายคือเรานั่งไปทางหมอนของเรานั่นแหละไม่ต้องมีพระพุทธโลกไม่ต้องมีอะไรหรอกพระพุทธโลกอยู่ในใจของเราทั้งหมดเรากล่าวไหว้เมื่อไรเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราพอเราเระลึกถึง พระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราเมื่อเรานั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกปนมมือขึ้นเราก็ไหว้ครูซะก่อนพุทธโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงแล้วกับแผ่เบตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่น สัตอื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าปราถนาด้วยเทนะินอากนั้นก่อนหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทคือไม่ต้องคิดไปในอดีตไม่ต้องคิดไปในอนาคตไม่ต้องคิดไปวันพุ่งนี้บ่เรือนี้ให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นไม่ต้องคิดถึงอดีตเมื่อวานวันก่อนเรื่องต่างๆเรื่องอะไรก็ตามไม่ต้องคิด บังคับให้ใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะสติคือความะระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวให้มีความรู้ตัวอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นนี่แหละวิธีการปฏิบัติจากนั้นก็นั่งภาวนานานไหมนานให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เอาจนเหลือ อ, อด น, นะเออ ไม่ใช่ว่าปวดแข้งปวดขาหน่อยหนึ่งแล้วก็รโบนขึ้นมาบอกเออทาไมนั่งภาวนาทําไมปวดแข้งปวดขาเวลาเรานั่งอย่างอื่นดูหนังดูละครดูโทรทัศน์เนีดูหนังฟังรําเรานั่งนานได้เพราะเหตุใดเพราะเราชอบแต่พอนั่งสมาธิภาวนาเนะี่ยนั่งน้อยเดียวก็ว่าปวดแข้งปวดขาพเพราะไหตุใดกิเลสในใจของเรามันมากมันก็เลยออกออกไปทางที่ไม่ชอบ เพราะกิเลสกับธรรมเนี่ยมันจะขัดแย้งกันอยู่เสมอเพราะนั้นขอให้พวกเรามุ่งมั่นมีความตั้งใจเราต้องบังคับะหบังคับตัวเองให้นั่งพยายามนั่งให้นานตั้งนาฬิกาไว้เลยแต่ทีแรก30นาทีและหนึ่งชั่วโมงถ้าไม่ถึงกาหนดเราจะไม่ออกเราจะไม่ออกจากสมาธิเราจะบังคับให้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นพุทโธพุทโธพุทโธแต่ทาคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่าน ไปปฏิบัติที่ท่านไปนั่งอยู่ที่โคลนต้นโพเพระพุทธเจ้าสิทธัตถะท่านนั่งกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกในวันที่พระพุทธเจ้าได้ตัดธารุนะจากนั้นพระไทยหรือใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจากนั้นพระองค์จึงได้เกิดญาณาทัศน์เกิดฌานปุเพเนวาสานุสติยานอันนั้นคือของพระพุทธเจ้า แต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้าเราเอาแต่กําหนดหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกว่ามันจะสั้นไปมันจะหลุดได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราควรจะบริกรรมสำทับกับพุทธโธด้วยบริกรรมพุทธโธด้วยหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธอันนี้คือกรรมฐานหลวงปู่มั่นท่านสอนจากนั้นองค์หลวงตามหาบัวท่านก็บอกว่า สมัยก่อนหน้านี้ท่านเมื่อเรียนหนังสือจบแล้วท่านก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจิตใจก็รวมสงบเป็นบางครั้งพอต่อมาอีกมันหลุดพอมันหลุดท่านี้มันจิตใจมันเสื่อมเสื่อมค่อยๆมันหลุดจากสมาธิทำให้จิตใจของท่านร้อนระอุร้อน ร, ร, รุ่มอย่างสุดๆท่านนี้เข้าไปกับหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นก็แนะนำ หลงตามหาบัวท่านก็เลยยึดกรรมฐานตรงที่ว่าแน่นสิหายใจเข้าบริกรรมว่าพดหายใจออกบริกรรมว่าโถเวลาเดินขาขวาพดขาซ้ายโทเวลาปัดกวาดเหวี่ยงขวาพดเหวี่ยงซ้ายโทมีสติสัมปะชัญญะในการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดท่านบอกว่าโอ้เป็นเรื่องที่หนักหนักมากๆหนักสุด ในชีวิตไม่เคยที่จะหนักยิ่งกว่าการบังคับจิตใจให้อยู่กับร่องกับรอยให้มีสติสัมปชัญญะแต่โรกตาทั้งก็บอกบังคับวันแรกรู้สึกว่าหนักวันที่สองก็หนักพอวันที่สมสติรู้สึกดีขึ้นวันที่4ี่ที่ห้ารู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆจิตใจอยู่กับตัวเองเพราะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงเพรในที่สุดจิตใจอยู่กับตัวเองตลอดไม่เผลอท่านบอกว่า ประกาศตัวเองได้เลยว่าตั้งแต่บัดนี้ต่อไปใจของเราจะไม่เสื่อมจะไม่หลุดไปจากที่อื่นเรามีสติอยู่กับตัวเองเพราะอยู่ในบทบริกรรมเพราะนั้นเรื่องการบริกรรมภาวนาเป็นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผ่านดาเนินมาแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านก่อนที่จะภาวนาให้บริกรรมนะให้ใช้คาบริกรรมอย่า ก, กาหนดเฉยๆถ้ากาหนดเฉยๆนะจะหลุดได้ง่าย เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะหลวงพ่อมั่นใจว่าสายที่หลวงปู่มั่นพาประพฤติปฏิบัติมานี้เป็นหนทางที่ถูกต้องและก็พร้อมกันยุคสมัยนี้ก็มีหลายหลายหลายหลายคนหลายหลายแนวทางพวกพวกเราถ้าหากว่าเราจะศึกษาหลายแนวทางพวกเราจะสับสนเสียเวลาของพวกเราอีกไม่รู้จะเดินผิดเดินถูกอีกต่างหาก บางทีไปเห็นครูบาอาจารย์บางองค์ให้นั่งภาวนาและส่งจิตออกไปข้างนอกสิแล้วจะไปเห็นเทวบุตรเท ว, วดาอินพรหมเกิดชาญอย่างนั้นเกิดยาอ น, นี้เกิดพลังอย่างนู้น เ, เกิดพลังอย่างนี้เกิดอภินิหารอย่างนู้นเกิดอภินิหารอย่างนี้พวกเราก็จะอยากจะได้อภินิหารอย่างที่ท่านบอกกล่าวผลที่สุดนั่นแหละหลงทางผลที่สุดฉ า, ายลงปูมั่นท่านบอกว่าการส่งจิตออกไปทางนอกนั้นมันเป็น สมุทยัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดอย่าไปส่งจิตออกไปข้างนอกนะให้อยู่กับตัวเองให้บริกรรมให้จิตใจสงบในเมื่อสงบแล้วเราจะเดินปัญญาเราจะเดินอย่างไรท่านบอกวิธีการเดินวิปัสสนาอีกต่างหากการเดินปัญญานะอย่าไปส่งจิตออกไปข้างนอกอย่าไปดูเทวบุตรเทวดาอินพรงเห็นเปรตเห็นผีเห็นนรกไปดูทําไมดูแล้วมันได้อะไร เหมือนกับเราลืมตาเนี่ยเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราลืมตาเห็นช้างม้าโวควายหมูหมาเป็ดไก่ไปเห็นเงินในธนาคารไม่ใช่เงินธนาคารเพราะเราเห็นมันจะได้ไม่ใช่มันเป็นเงินของเขาอันนี้ก็เป็นไปเห็นเทวดาเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ของเราเราเห็นแล้วเราได้อะไรเราไม่เห็นได้อะไรในการเห็นนั้นเพียงแต่ว่าเห็นแล้วขวิดวดหมูอีกต่างหากว่าข้าพเจ้านั่งภาวนาไปแล้วไปเห็นอย่างนู้นไปเห็นอย่างนี้เห็นแล้วมันได้อะไรย นี่แหละหลงปู่มั่นท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าไปเห็นอย่าไปดูถ้าไปเห็นไปดูแล้วทําให้หลงอีกต่างหากหลงแล้วมันแก้ยากอีกต่างหากเพ้อเพอจะเป็นบ้านในการเห็นอีกต่างหากเกิดี่ปัสสนูให้ความสําคัญผิดในตัวเองอีกต่างหากเพราะฉะนั้นอย่าดูอย่าไปส่งจิตออกนอกให้ดูใจของตอนเองเดี๋ยวนี้ให้ใจของเรามันคิดเรื่องอะไรอย่าไปคิดไปในอดีตอนาคตให้อยู่บริกรรมพุทธโธ ให้อยู่กับตัวเองในเมื่ออยู่กับตัวเองแล้วจิตใจรวมสงบลงพอสงควรแล้วมีกำลังพอสงควรแล้วให้พิจารณานะให้พิจารณาอะไรบังคับนะ่นีโดยมากบางคนพอจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วมันขี้เกียจนะมันขี้เกียจออกพิจารณาเหมือนกับเราเข้าไปนอนในห้องแอร์อย่างนั้นอนะ่ะไปห้องแอร์นอนแล้วก็หลับสบายเย็นสบายในสมาธนะิมันขี้เกียจออกไป คิดมันขี้เกียจไปคิดไม่ไปพิจารณานี่แหละท่านบอกว่าติดสมาธิต้องบังคับถ้ามันออกแต่นี้พวกเราได้ศึกษาแล้วการพิจารณานะั่นก็คืองานผลงานเราจะต้องออกเราจะอยู่ในสมาธิไม่ได้อันนี้ก็คือเราได้ศึกษาแล้วรู้แล้วว่าการปฏิบัติตนนั่นคืออะไรสมาธิเป็นเครื่องพักผ่อนทางด้านจิตใจเหมือนกับเราไปทําการทํางาน นันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วเราก็เคลื่อนไปพักในร่มและไปพักดื่มน้ําพอพักดื่มน้ำแล้วจะพักนานก็ไม่ได้เพราะเหตุไรเมื่อพักนานผลงานก็ไม่มีผลที่สุดก็เป็นพนักงานขี้เกียจอีกแต่นี่พเรพราะไรเพราะเราไม่ได้ทํางานเพราะนั้นเราพักพอหายเหนื่อยแล้วก็กลับมาทํางานอีกพอกลับมาทำงานอีกพิจารณานจนเหนื่อยละผลที่สุดกลับมาสมาธิพอเข้ามาสมาธิ พักจิตพักใจพอพักจิตพักใจพอหายเหนื่อยแล้วกลับไปพิจารณาอีกอันนี้แหละคือวิธีการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาใช้ต่างกรรมต่างวาระเมื่อเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วพักผ่อนเสร็จแล้วก็เดินปัญญาเมื่อเดินปัญญาเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วพ้นเราคิดหาเหตุผลจากนั้นก็กลับมาสมาธินี่แหละคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน ที่ท่านแนะนาสั่งสอนสมาธินะี่จะทำอย่างไรสมาธินะ่นก็คือเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนั่งกัดสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายบริกรรมพุทโธพุทโถพุทโธเนี่ยไม่ให้ใจส่งออกไปข้างนอกเมื่อจิตใจรวมสงบนะแต่สมาธินั้นท่านบอกมีมีมระดับมีสขั้นน ะ, ะแต่พวกเราไม่ต้องใส่ใจนะเพียงแต่เรียนรู้ไว้ประวัติสมาธนะิมีกี่อย่าง อันนี้พวกเราควรจะเรียนรู้อไว้ว่าสมาธิมีอยู่สามขั้นมีอยู่สามระดับเคณิกะอุปจาระอ ป, ปนาเนะนีคณิกะนี่ยคือเวลานั่งสมาธิอย่างที่พวกเรานั่งใหม่ๆกาหนดไม่ให้ส่งจิตไปออกไปข้างนอกจิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้จิตใจรวมจิตใจของเราจะได้รับความสงบเพราะจิตใจไม่ส่งออกไปข้างนอกใจของเราจะรวมชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าคณิกะ คณิกะสมาธิจิตใจของเราเย็นเย็นผิดปกติในชั่วขณะหนึ่งคะจิตใจเย็นจิตใจสบายจิตใจที่มันเย็นสบายอย่างนั้นน่ะเหมือนกับเหมือนกับมือแสงสว่างหรือว่ามีความรู้สึกในจิตใ จ, ใจผิดปกติอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิจิตใจเย็นสบายชั่วขณะหนึ่งแต่เพียงขณะเดียวเท่านั้นใจของเราเราของเราก็ไม่ลืมเราล ะ, ละลึกขึ้นมาเวลัย เราก็สบายใจเอ๊ะทำไมใจของเราช่วงนั้นขณะนั้นทาไมใจของเรามีความสุขเหลือเกินมันเหมือนกับได้อาบน้ำเยน็ยนๆหรือว่าจิตใจของเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรในชั่วงขณะหนึ่งอันนี้เรยว่าคณิกะสมาธิจิตใจของเราเริ่มได้รับความสงบทางด้านจิตใจเป็นครั้งแรกเรียกว่าคณิกะต่อมาเราก็พยายามกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้มันเผลอดูผลในสุด สติกับกจิตของเราใจของเราคิดเรื่องอะไรสมาสติของเราทันถึงทันใจของเราเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้คิดผิดและคิดถูกคิดไปในทางไหนจิตโดยมากเมื่อเราทันมาแล้วมันจะไม่คิดไปในทางที่เลวมันจะอยู่มันจะนิ่งมันจะสบายมันจะไม่หิวโหวยจิตใจของเรากับสมาธิเนี่ยมันจะดูควบคุมสติของเราควบคุมจิตนะจิตจของเราจะไม่ทะเลถลา จิตของเราอยู่กับตัวเนี่ยอันนี้เราว่าอุปจารสมาธออิมีความรู้สึกอยู่แต่ว่ารู้สึกทุกอย่างแต่มันไม่ออกนอกรูนอกทางเราเคิดเรื่องอะไรเราก็รู้โดยมากเราจะกําหนดที่ไหนมันก็อยู่เพราะอะไรเพราะสติควบคุมสติควบคุมจิตควบคุมตัวผู้รู้อยู่ อ, อ, อันนี้เราบอกอุปจาระแต่เมื่อ จิตรวมสงบลงไปกว่านั้นอีกเลยรวมลงไปอีกเหมือนกับตกเหวตกบ่อหรือว่ามันมันรวมสงบเนิ่งลงไปแต่คราวนี้สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันหนึ่งสติเป็นอันไดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอะไรสติเป็นอันนั้นอยู่ในที่อันเดียวกันอันนี้แปลว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่ง จากนั้นเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วบางคนก็รวมนานหัหยไม่นานแต่บางคนก็รวมนานที่เป็นผลแห่งการนั่งสมาธิมันเป็นพลังส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจรวมสงบได้นานแต่เมื่อรวมสงบลงไปแล้วนะการรวมสงบจุดนี้บางคนก็ลงแบบง่ายๆเรียบง่ายแต่บางคนก็เหมือนกับตกเหวตกบ่อบางทีก็แบบ <c oughs> บูบวาบแล้วก็รวมสงบนิ่ง จิตใจรวมสงบจากนั้นก็ถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธิจากนั้นก็ถอนออกมาเป็นจิตปกติธรรมดาเนะนี่แหละในขณะที่จิตเป็นอัปปนาสมาธินันเรานั่งอยู่นัสถานที่ใดเราไม่รู้จักนะเราไม่รู้สึกว่าเรานั่งนัสถานที่ใดเสียงคู่เสียงคนเสียงรถเสียงฟ้าร้องเสียงฝนตกเราจะไม่รู้ทั้งนั้น ขนาดร่างกายของเราเราจังไม่รับรู้ว่าราร่างกายของเรานั่งอยู่ณนะสถานที่ใดมีแต่สติกับจิตอยู่ในอันหนึ่งอันเดียวกันนิ่งแต่จิตประเภทนี้ไม่ใช่ว่าเราจะรูภรวมลงง่ายๆหรือว่าเราจะไปนั่งสงบที่ไหนได้ง่ายๆไม่ใช่นะเราจะไปเข้าใจอย่างนั้นจิตที่จะสงบจุดนี้ได้เป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดปลอดที่มันจะปล่อยวางร่างกาย มันไม่ใช่ไปจากกลางแต่น้นทวนทางก็จะจิตรวมขับรถไปก็จะจิตรวมไม่ใช่อันนั้นแบบจิตแบบเบอร์เบอร์เท่านั้นเองที่มันเป็นอย่างนั้นถ้าจิตสงบจริงๆจะไม่เป็นอย่างนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจะที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อจิตของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วจิตเป็นอะไรสติเป็นอันนั้นสติเป็นอะไรจิตเป็นอันนั้นคือเป็นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เราจะรู้ได้เลยว่าร่างกายกับใจเนี่ยแยกได้ชัดเลยเมื่อจิตเป็นอัปปนาสมาธิเรารู้ได้ชัดเจนนลว่าร่างกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายเนี่ยเป็นอันหนึ่งจิตใจของเรานี่เป็นอันหนึ่งผู้รู้เป็นอันหนึ่งร่างกายเป็นอันหนึ่งเหมือนกับรถกับคนขับรถเนี่ยเห็นได้ชัดอย่างนั้นน่ะรถไม่ใช่คนขับรถคนขับรถไม่ใช่รถเนียเห็นได้ชัดอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อจิตของเรารวมสงบ เป็นอัปปนาสมาธิแล้วเราจะรู้ได้บอกได้เลยว่าร่างกายนี่ตายแตกตายสลายแน่แต่นามธรรมคือจิตใ จ, ใจตัวนี้แหละตัวนี้แหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆเห็นได้ชัดในตนเองนี่แหละเมื่อเราภาวนาจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิแล้วเราเชื่อมั่นตัวเองในระดับหนึ่งจากนั้นจิตใจของเราก็ถอนขึ้นมาเป็นระดับสองคือค อ, ค อ, อุปจารสมาธิเมื่อเป็นอุปจารสมาธิแล้วเราจะเดินวิปัสสนาอะไรตั้งี เรามาพิจารณาร่างกายตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกร่างกายสังขารอย่างที่พวกเราที่สวดเมื่อกี้เนี่ยอาการส2สองของร่างกายมีตับมีปอดมีพังผืดมีเอ่อมันสมองที่พวกเราไปเนี่ยมีอุจจระปัสสาวะมีเลือดเนี่ยมีดีมีเสล็ดเน่มีตับมีปอดมีหัวใจ ที่เราสวดจบลงสักกรุ่นนี่เราอาการสามสิบสองสาทยายอาการสามสิบสองในเมื่อเราพิจารณาเห็นร่างกายของเราร่างกายของเราเนี่มันไม่ใช่ของเรานะพอดูซิแยกส่วนแบ่งส่วนดูซิฮะใจเมื่อใจผ่านความสงบเมื่อใจผ่านอัปปนาสมาธิแล้วใจเป็นอุปจารสมาธิแล้วใจผ่านความสงบพอสมควรแล้ว เรามาพิจารณาร่างกายมันก็เห็นได้ชัดเพราะเห็นแยกส่วนแบ่งส่วนดูถอนผมไ้ไว้ดูซิถอดขนไปไว้ซิถอดเล็บไปไว้ซิถอนฟันไปไว้ซิเป็นกองกองถลกหนังไปไว้ซิชาแหละเนื้อไปไว้ซิกะดูกไปไว้ซิตับปอดหัวใจแต่ละส่วนละส่วนไปกองไว้เหมือนกับเราชาแหละเนื้อของออหมูหมากาไก่อย่างนั้นอ่ะเอาไปชาแหละไปดูแล้วเป็นยังไง เราพิจ า, ารณาดูสิร่างกายของเราอันไหนเป็นของเราร่างกายเป็นของเราใช่ไหมผมเป็นของเราใช่ไหมขนเป็นของเราเล็บหนังเนื้อเอ็นกระดูกน้ํำตับหัวใจปางปืดเป็นของเราใช่ไหมใจนี่แหละใจก็คือตัวผู้รู้อย่างที่ว่านัา่นคือโซเฟอร์สามโซเฟอร์นะดูร่างกาย เ, น, เ, าเนี่เป็นของเราใช่ไหมโซเฟอร์รถนี่เป็นของเราใช่ไหมโซเฟอร์โซเฟอร์ใช่เป็นของเรา แต่ว่าถ้าหาว่าไม่ให้รถมันตายล่ะไม่ให้มันลดรถมันหมดน้ํามันล่ะได้ไหมได้เราตรงเติมน้ํามันให้มันให้มันกินแต่ว่าถึงจุดจบของมันแล้วเมื่อมันเท่าแก่ชราไปแล้วอายุรถมากๆแล้วไม่ให้มันติดไม่ให้มันตายได้ไหโซเฟอร์ซเฟอร์กับคงจะรับอย่างนั้นไม่ได้อีกเหมือนกันพราะเราใช้ไปนานๆค่ะรถมันก็หมดสภาพเหมือนกันนี้ก็เหมือนกัน ใจของเราในเมื่อเราใช้ร่างกายตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่เคยดับเครื่องเลยแต่รถของเราเนี่เราใช้มากลางวันเราวิ่งพอเราหยุดใช้เราก็ดับเครื่องมันไว้แล้วพอเมื่อเราจะใช้เราก็จะตัดเครื่องมันแล้วก็เดินขนาดเป็นเหล็กเป็นขางแท้ๆนะมันก็ยังใช้ไม่กี่ปีแล้วก็ใช้แบบไม่ตลอดต่อเนื่องอีกต่างหาก แต่ร่างกายของเราเนี่สิตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่ออกมาจากท้องแม่แล้วไม่เคยดับเครื่องเลยหัวใจก็เต้นอยู่ตลอดหัวใจสูบฉีดอยู่ตลอดที่ประจรเดินอยู่ตลอดในร่างกายตกึตกตกัตกตกัต ก, ต ก, ต ก, ตกในร่างกายของเราดูสิบางคนึเป็นร้อยปีฮะห้าหกสิบปีเจ็ดสิปีแปดสิบปีไม่เคยดับเครื่องเลยนี่แหละทนทายาทท่าจะว่าไปแล้วร่างกายของเรา แต่ถึงยังไงก็เถอะอีกสักวันหนึ่งนะบางคนก็ใช้ไม่ได้นานเพราะเหมือนกับรถออกมาใหม่ๆตายก็มีบางคนก็ใช้มาไม่กี่ปีกี่เดือนตายก็มีตกถนนผนทางก็มีเฉีย ว, วชนก็มีมันไปได้ทั้งนั้นร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันเราไม่ได้รับปากกันว่าเกิดมาแล้วจะไม่ตายอยู่ในกฎอันิจฐานทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะ ใจนะนนะี้น่แหละใจที่ผ่านความสงบสอนโซเฟอร์แล้วเดีนะ๋ยวนโซเฟอร์นะต้องคิดดูให้ดีนะร่างกายเนะี่ยไม่ใช่รถหรือไม่ใช่ของท่านนะไม่ใช่ของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะรถคันนี้จะต้องพังในเมื่อพังแล้วท่านเตรียมพร้อมะอะไรยังเตรียมเงินที่จะซื้อรถคันใหม่แล้อยังมีไหมทุนที่จะซื้อรถคันใหม่ท่านได้เตรียมพร้อมะอะไรยังนี่แหละอันนี้คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณา ถึงใจเล้ท่ตัวผู้รู้คือนามธรรมที่เป็นเจ้าของของเรื่องท่านนี้ว่ามนโนปุพังคมาธรรมามนโนเศรษฐามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรั้วใจใจของเราเนี่ยเป็นใหญ่คือตัวผู้รู้นั่นะเป็นใหญ่เพราะนั้นท่านจึงให้พิจารณาถึงใจคือตัวผู้รู้นั้นในเมื่อพิจารณาถึงร่างกายของตนเองแล้วเจ้านี่ร่างกายขนาะดร่างกายของตนเอง ยังไม่ใช่ตัวตนของเราร่างกายของเราแท้ๆเอาออกมาจากท้องแม่แท้ๆเราก็อยู่ในร่างกายอันนี้แท้ๆก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี้จะต้องแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟในเมื่อร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราร่างกายอื่นล่ะจะเป็นของเราได้อย่างไรทรัพย์สมบัติส่วนอื่นล่ะจะเป็นของเราได้อย่างไร ศาลาล่างนี้จะเป็นสาลาหลวงพ่ออินได้ยังไงเพราะเหตุใดเพราะร่างกายหลวงพ่ออินแท้ๆยังไม่ใช่ตัวตนของเราและสาลาวัดวาศาสนาแหละลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมจะตกปัจจัยไทยธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นของหลวงพ่ออินอย่างนั้นใช่ไหมถ้าหาว่าหลวงพ่ออินไม่โง่จนเกินไปนะหลวงพ่ออินก็ต้องว่าไม่ใช่ขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ของเราเราจะเป็นไปยึดของเหล่านั้นว่าเป็นของเราไม่น่าจะถูกนะใจนะ นี่แหละใจของเราก็รู้แจ้งเห็นจริงรู้จักปล่อยรู้จักวางจากนั้นก็พิจารณาถึงใจเท่าไหมันหลงอยู่ที่ไหนมันหลงอยู่ที่ใจจากนั้นก็เมื่อเราพิจารณารู้รอบขอบชิดทุกจริงทุกอย่างพิจารณากายและก็พิจารณาใจพิจารณาใจเสร็จแล้วพิจารณากายเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในผลในสุดเราก็รู้แจ้งเห็นจริงในใจของเราใจของเราไม่หลงเด็ดไม่หลงรู้แจ้งเห็นจริง ปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสหลุดพ้นคือไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกนี่แหละทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ไหนนะความหลุดพ้นหรือพระหรหันไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจคือรู้แจ้งเห็นจริงเท่านนะั้นเป็นพระหรหันได้นะเพราะนั้นขอให้พวกคณะทตา ญ, ญาติโยมทุกๆ ท, ท่านนะการภาวนาและการปฏิบัติในทำคําคสอนของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านให้พิจารณาอย่างนี้ท่านให้ปฏิบัติอย่างนี้ให้พิจารณาสมถะทํารมยังไงวิปัสสนาทํำยังไงสมถะคือทําจิตใจให้สงบซะก่อนเป็นพื้นฐานแล้วกับพิจารณาทางด้านปัญญาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายจากนั้นให้เห็นร่างกายแล้วก็เห็นใจเห็นใจแล้วเห็นกายในเมื่อเราเห็นกายเห็นใจแล้วปล่อยวางที่ใจนะ แต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เราต้องปลูกศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อซะ ก, ก่อนให้เชื่อพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาก่อนพวกเรา เ, เมื่อท่านปฏิบัติมาแล้วหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ว่าฝ่ายหญิงไม่ว่าฝ่ายชายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเมื่อลวงรับดับขันไป อธิธษฐานก็ได้กลายเป็นประธานฝ่ายอุบาสิกาก็เหมือนกันฝ่ายผู้หญิงถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็สำเร็จมรรคสำเร็จผลเหมือนกับพังพุทธการเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะใ ห, ให้เชื่อมั่นและปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาปฏิบัติมาอย่าสับสนพูดง่ายๆนะอย่าสับสนไม่ใช่ว่าฟังองค์นั่นก็ทำนี้ฟังวันนี้ก็ทางั้น ผลที่สุดกระโดดหน้ากระโดดหลังกระโดดไปกระโดดมาแลยหาที่จุดที่ยับยั้งไม่ได้ฮัจุดยืนไม่ได้ผลที่สุดเลยหาที่ลงไม่ได้ไม่รู้จะยืนจุดๆุดไหนทเทไงองค์นั้นกลุ่มปย่างนั้นองค์นี้พูดอย่างนี้ถ้าว่าพวกเราเชื่อในแนวแถวของหลวงปู่มั่นให้ศึกษาแนวแถวของหลวงตามหาบัวรทิฏฐันแนะนําสั่งสอนพวกเราจะยึดตามแนวแถวนี้ให้มั่นคงจากนั้นพวกเราประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของเรา แต่ทางนี้ทาง น, นั้นไม่ใช่ว่าเราจะกีดกันเมื่อนับถือสายลูกปูมั่นแล้วไม่ให้ทําบุญกับองค์อื่นไม่ใช่เราจะทําที่ไหนก็ได้เราจะทําโรงพยาบาลก็ได้งลงร่ำลงเรียนก็ได้จะทําที่ไหนใดใต้ทั้งหมดแต่ส่วนด้านจิตใจคือหลักจริงๆที่เราจะต้องปฏิบัตินั้นต้องปฏิบัติตามแนวแถวนี้หลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราจะไม่สับสนจะไม่กระสับกระส่ายจะไม่หุนหวายแต่พวกเราเ อ, องค์นั้นบงังแล้วก็องค์นี้บง ผลที่สุดก็เลยไม่รู้จะเอาตรงไหนเป็ น, ปนกฎเป็นเกณฑ์ผลที่สุ์ก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายในจะิตในใจก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วรุ่มหลงอีกตา่างหากไม่อยากจะทำไม่อยากจะสร้างคุณงามความดีกิเลสก็เลย <c oughs> กินโต๊ะเราเลยดลุ่มกินโต๊ะ <c oughs> เราก็เลยให้กิเลสลุ่มเราเลยแสดจบไม่ต้องภาวนาอีกเพราะไม่เชื่อเ <c oughs> บื่อหน่าย <c oughs> ไม่ใช่เบื่อหน่ายคายหลุดพ้นไม่ใช่นะเบื่อหน่ายว่า อ, อไม่รู้จะเดินทางไหนเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความซัดจริงเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรามีความซัดจริงให้จริงจังและจริงใจในแนวแถวการประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นพาดําเนินหลวงพ่อมั่นใจนะคณะจตหายาโยมลูกหลานทุกคนนะให้ปฏิบัติตามแนวแถวนี่แหละสายหลวงปู่มั่นสายอื่นก็ไม่หว่ากัน เราจะทดลองดูก็ได้แต่ว่าหลวงพ่อมั่นใจเพราะหลวงปู่มั่นกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราทุกองค์ที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านปฏิบัติตีปฏิบัติชอบเรามั่นใจในการประพฤติปฏิบัติของท่านเพราะนั้นเราควรจะเดินตามแนวแถวของท่านที่ท่านเคยปฏิบัติมาอย่างไรได้ผลอย่างไรเราควรนำมาปรปับปรุงแก้ไขากายใจของเราพวกเราก็จะถึงจุดหมายปลายทาง ดังที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินมาการพูดและการแนะแนวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติในการพูดเพียงเท่านี้แลต่อ น, นี้ไปขอให้พวกเราคณะรัทาญาติโยมนั่งสมาธนะินัตนีนะ